เรื่องเล่าผีหลอนตอนแม่โดนปอบกินเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้พบกับเรื่องผีผีสางๆมาหมาดๆเลยทีเดียวซึ่งเนื่องจากคุณแม่ของเพื่อนได้ป่วยตายในลักษณะอาการที่ประหลาดสันนิฐานว่าน่าจะโดนผีปอบกินตายปกติ ข้าพเจ้าไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีผีสางๆอยู่แล้วแต่คราวนี้มาเจอกับตัวเองก็เล่นเอางงไปเหมือนกันต้องรีบเพ่นกลับบ้านไม่ยอมค้างบ้านเพื่อนทั้งๆที่ตอนแรกก็ตกปากรับคำกับเพื่อนแล้วว่าจะต้องค้างอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าจะเสร็จงานมาตอนนี้ไม่ยอมฟังเสียงแล้วแม้ว่าเพื่อนจะอ้อนวอนสักแค่ไหนก็ตาม เพราะตัวเพื่อนเองก็กลัวเขาเป็นคนกลัวผีขึ้นสมองซึ่งตามปกติเขาไม่ได้พักอยู่กับพ่อแม่เป็นประจำอยู่แล้วเมื่อเขามารู้เรื่องทำนองนี้จากน้องเขาอีกจึงยิ่งไม่ยอมอยู่เด็ดขาดถ้าไม่มีข้าพเจ้าอยู่ด้วยตกลงวันนั้นไม่ว่าจะยากเย็นแสนเขนแค่ไหนเราสองคนก็ไม่ยอมค้างบ้านแม่เด็ดขาดพอดี เรือเที่ยวสุดท้ายยังมีอยู่เพราะที่นี่มีเรือวิ่งวันละสองเที่ยวเท่านั้นเรื่องรถยนต์ไม่ต้องพูดถึงกว่าจะมาถึงถนนใหญ่นั้นลําบากมากทีเดียวนั่งเรือเร็วกว่าสรุปแล้วการสัญจรไปมาต้องนั่งเรือเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากชาวบ้านเขาจะมีเรือจอดใต้ถุนบ้านแทบทุกบ้าน เพื่อนให้เหตุผลที่ม่ยอมค้างโดยไม่มีข้าพเจ้าว่าฉันไม่กล้าอยู่คนเดียวหรอกแกเอ้ยเพราะฉันไม่รู้ว่าผีปอบมันจะแอบอยู่ส่วนไหนของบ้านข้าพเจ้าก็ได้แต่ปลอบกับพ่อกับน้องมึงก็อยู่ด้วยแกยังกลัวอะไรอีกเพื่อนก็ส่ายหัวดิก๊กย้อนว่าน้องเหรอตัวมันเองเอาให้รอดก่อนเถอะตัวมัน มันก็กลัวจนหัวหดอยู่แล้วจะช่วยอะไรฉันได้แล้วแกคิดว่าฉันจะช่วยอะไรแกได้บ้างละ่ะฉันก็ปอดแหกเหมือนกันแต่แกยังมีคถาดีๆหลายอย่างยังพออุ่นใจที่มีแกอยู่ใกล้ๆข้าพเจ้าชักอ่อนใจกับเพื่อนคนนี้เป็นอันว่าแกจะตามฉันกลับว่างั้นเถอะข้าพเจ้าถามเพื่อนก็ตอบว่าแน่นอน ฉันไม่อยู่ให้ไส่ฉันหายหรอกบ้าพูดออกมาได้ยังไงข้าพเจ้าใจหายกับคำพูดของเพื่อนตกลงวันนั้นจึงมีแต่พ่อและน้องอยู่เป็นเพื่อนศพแม่ข้าพเจ้าขอตัดตอนเพื่นเล่าถึงสาเหตุที่แม่ของเพื่อนจะโดนปอบกินเรื่องราวอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกันแต่ก็เป็นสาเหตุที่ต่อเนื่องกันมา จากเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วที่แม่ของข้าพเจ้าได้ผจนกับผีปอบที่ท่าตะโกผีปอบที่ท่าตะโกดังไม่ใช่เล่นแม่เล่าให้ฟังตอนแรกข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยเชื่อคือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เชื่อมากกว่าไม่เชื่อเพราะสมัยก่อนผีเฮี้ยนมากมากกว่าสมัยนี้เยอะเพราะบ้านเมืองไม่เจริญเหมือนในยุคปัจจุบัน แม่เล่าว่าผีปอบสองแม่ลูกกินเด็กซึ่งเป็นหลานของข้าพเจ้าเองมันอาจต่อเนื่องกับปอบที่กินแม่ของเพื่อนและอาจเป็นปอบลูกหลานของปอบตนเดียวกันก็ได้เพราะปอบต้องมีการรับมรดกปอบถ่ายทอดไม่ฉะนั้นปอบตัวแม่จะไม่ตายเหมือนผีกระสือก็เช่นกันและรายนี้ก็อยู่ริมคลองเหมือนกัน เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2470ันนานมาแล้วแม่ของข้าพเจ้าเป็นชาวสวนขายของสวนไปตามเรื่องไอที่ขายขึ้นหน้าขึ้นตาก็มีหมากนี่แหละเพราะคนสมัยก่อนชอบกินหมากกันทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงเพราะฉะนั้นเวลาจะไปขายหมากต้องไปขายแถวบ้านนอกชนบทพ่อกับแม่จึงไปขายที่ตลาดหัวตะโก หรือหนองแค์เพราะที่นั่นขายดีกอบกับว่ามีป้าพี่สาวของแม่อยู่ที่นั่นด้วยและขายได้ราคาดีกว่าในกรุงเทพแม้ว่าการเดินทางจะลำบากสักแค่ไหนก็ต้องไปตอนนั้นต้องเดินทางด้วยเรือต้องออกจากบ้านที่คลองในสวนเป็นนอนค้างที่สะพานใหม่หนึ่งคืนพอตกเย็นก็เข็นเรือในคลองหลักสี ซึ่งเป็นทางลัดกลางทุ่งพ่อเขียนไปสักพักท้องเรือถูกกรวดแต่พ่อแม่ไม่รู้พอแจวเรือไปจนถึงคลองหนึ่งเรือจะจมชาวบ้านร้องให้จอดโดยเอื้อเฟื้อให้นอนค้างกับเขาที่บ้านจอดค้างที่นี่สักคืนเถอะค้างเสียบนบ้านฉันนี่แหละคนสมัยก่อนเขาใจดีมากครั้นรุ่งเชา้าออกเรือได้โดยให้หมากเจ้าของไวหนึ่งทลาย ด้วยความสำนึกในบุญคุณพายเรือไปจนจะถึงประตูน้ำพระอินกว่าจะไปถึงก็พอดีประตูน้ำปิดต้องนอนค้างอีกหนึ่งคืนแม่ของข้าพเจ้าเป็นคนแปลกตอนหัวค่ำง่วงนอนพอครึ่งคืนไปแล้วตาสว่างนอนไม่หลับพอตกดึกแม่เห็นมะพร้าวลอยมาข้างเรือก็เอื้อมมือจะไปหยิบแต่พ่อรีบปัดมือห้ามไม่ให้เก็บ ย่าเก็บมะพราะ้าวเขาขโมยมาจากเรือลำข้างหน้านนเห็นไหมรุ่งเชา้าออกเดินทางมาจนถึงที่หมายพ่อเลยบอกกับแม่ให้ไปอยู่กับป้าบนฝั่งโดยให้เหตุผลว่าผู้หญิงเฝ้าเรือนั้นอันตรายพอจะได้ไม่ห่วงหน้าพะวงหลังเวลานั้นแม่ท้องได้หกเดือนแล้วแม่มาขึ้นฝั่งไม่มาเปล่าแต่ช่วยโอกาสเอาหมากมาขายด้วย โดยเอามาวางขายในตลาดโดยอาศัยห้องว่างของป้ามาวางแต่หารู้ไม่ว่าห้องนั้นเป็นห้องของผีปอบสองแม่ลูกยายแม่ชอบมานั่งคุยด้วยแต่แกไม่ยอมมองหน้าแม่เพราะแม่มีตะกุดห้อยคออยู่ดอกหนึ่งเป็นนาคอีกดอกหนึ่งเป็นทองและพระปรกใบมะขามอีกหนึ่งองค์พอมาคุยได้ไม่ทันไรเลย ก็มาบอกให้แม่ถอดตะกรุดออกแม่ชักสงสัยว่าเป็นโครงการอะไรของทั้งสองแม่ลูกลงทุนอ้อนวอนถอดตะกรุดถอดพระออกเถอะแม่คุณจะได้คุยกันใกล้ๆหน่อยแม่จึงถามว่าถ้าไม่ถอดแล้วมันเป็นยังไงนางปอบตัวแม่ก็ตอบว่าก็มันร้อนน่ะสิแม่คุณเอ้ยพอพูดแบบนี้แม่ไม่ยอมถอดเด็ดขาด เพราะนึกสงสัยอยู่ในใจแล้วว่าต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่พอนำความไปเล่าให้ป้าฟังป้าก็เล่าว่านั่นแหละผีปอบทั้งสองแม่ลูกจงระวังให้ดีพอตกกลางคืนความที่มันอยากกินแม่มันจึงมาสำแดงเดชอยู่บนหลังคาเสียงดังโครมพรามทั้งคืนป้ากับแม่ก็ตกใจตื่นอดรนทนไม่ได้ ทั้งสองคนจึงลุกขึ้นไปดูก็ตกใจมากเพราะเบื้องหน้าเห็นม้าตัวเท่าม้ากแกรบมายืนอยู่บนหลังคาป้าได้เอาไม้ตีพริกคว้างขึ้นไปเมื่อคว้างขึ้นไปแล้วม้าตัวนั้นก็หายวับไปทันทีป้าบอกว่าปอบมันกลัวสากแม่พยายามขายมากอยู่สามวันสามคืนรุ่งเช้าวันสุดท้ายมากแม่ก็หมด แม่เตรียมตัวกลับบ้านคืนนั้นนางปอบก็ก่อเหตุไปกินแม่ลูกอ่อนข้างบ้านถูกเขาจับได้โดนเขาตีแล้วจับโกนผมเสียแถบหนึ่งนอนครวนครางอยู่ในห้องแม่สงสารเขาจึงไปเยี่ยมพูดคุยด้วยแม่ถามว่าเป็นอะไรไปละ่ะเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยนางลูกสาวจึงรีบตอบว่าแม่ไม่สบาย นานอนค้างเป็นเพื่อนสะคืนไม่ได้เหรอแม่ก็ตอบว่าไม่ได้หรอกจะเป็นห่วงบ้านมาหลายวันแล้วแม่ของผมตอบแค่นี้ทําเอานางผีปอบแม่ร้องไห้เป็นวักเป็นเวนฉันไม่มีใครเลยอยากให้แกนอนค้างอยู่สักสองวันพออุ่นใจแม่เราก็นึกในใจว่าอุ่นใจแกแต่ไส้ข้าจะไม่อยู่ให้อุ่นด้วยนะสิ แล้วแม่จึงโต้กลับไปว่าแต่ก่อนไม่มีฉันแล้วใครอยู่ด้วยละ่ะเหมือนนางปอบได้ยินแม่พูดอย่างนี้ก็เงียบคงจะด่าในใจว่านังนี่มันรู้ทันพอตกเย็นวันนั้นก็กลับมานอนที่ประตูน้ำพระอินกะว่าพอประตูน้าเปิดก็จะออกไปเลยพอตกกลางคืนได้ถูกคนร้ายรมยาอีกคราวนี้แม่หลับไม่ตื่น แต่พ่อเป็นนักเลงเก่ามาก่อนได้กลิ่นยาก็รู้ทันทีพ่อรีบลอยเรือไปจอดอีกฝั่งตรงกันข้ามเจ้าคนร้ายรมยาโมโหเอาไม้คว้างเป็นการใหญ่วันรุ่งขึ้นก็กลับบ้านครั้นมาอยู่บ้านได้ไม่เกินเดือนป้าก็ส่งข่าวว่าลูกสาววัยห้าเดือนกำลังน่ารักน่าชังได้ตายเสียแล้วผีปอบมันกินในวันที่ฝนตกใหญ่ น้ำขึ้นมามากพวกผู้ใหญ่ขนของมาขายบนถนนโดยปล่อยเด็กไว้ในเรือขณะนั้นเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นป้าเห็นลูกหลับก็ขึ้นมาขายของพอหันไปเห็นมีคนปลุบเข้าไปในเรือก็รีบตามลงไปเสียงเด็กร้องวีทวีก็พอดีเห็นยายผีปอบตัวแม่วิ่งสวนทางขึ้นมาแต่ไม่ได้เสเหลียวใจเพราะเป็นคนกันเอง ครั้นลงไปในเรือก็แทบสลบเพราะเด็กขาดใจใตายเสียแล้วทวานหนักกลวงโบผีปอบเอาไส้พุงไปกินหมดแล้วป่าไม่รู้จะทำยังไงเพราะจับไม่ได้คาหนังคาเขาเวลาต่อมาผีปอบสองแม่ลูกก็ย้ายที่อยู่หายไปนี่เป็นเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังมาถึงเรื่องของแม่เพื่อนข้าพเจ้าบ้าง เรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อแม่ของเพื่อนท่านป่วยก่อนและลูกๆได้พาท่านส่งโรงพยาบาลแล้วรักษาจนหายร่างกายก็สมบูรณ์แล้วจึงได้พากันกลับบ้านวันนั้นเป็นวันที่เพื่อนของข้าพเจ้ารับแม่กลับจากโรงพยาบาลโดยนั่งเรือมาตลอดทางมีแต่คนทักทายตลอดแม่เองหายดีแล้วหรือ เพื่อนบ้านตะโกนถามตลอดทางเรือก็แล่นมาเรื่อยๆพอผ่านมาถึงบ้านหลังหนึ่งก็มีคนถามแปลกๆว่าแม่หายแล้วหรือกลับมาแล้วหรือแม่รอตั้งนานเอ่อทำไมต้องรอละป้าเพื่อนถามอย่างสงสัยไม่มีอะไรหรอกพูดไปอย่างนั้นเองครั้นมาถึงบ้านแม่ยังรู้สึกสดชื่นดีเหมือนคนฟื้นไข้ทั้งหลาย คือเริ่มกินข้าวได้กินได้สารพัดผัวกเรารู้สึกเบาใจเพราะรู้สึกว่าแข็งแรงดีอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาแม่ก็เริ่มมีอาการแปลกๆคือมีอาการเปลี่ยนไปทันทีทันใดคือเกิดไม่อยากกินข้าวกินน้ำแม้แต่ยาที่หมอให้มาก็ไม่ยอมกินทั้งที่ตอนแรกก็กินตรงเวลาเป๊ะเลยเพราะอยากหายป่วยเร็ว พฤติกรรมนี้ยังความสงสัยมาสู่ลูกๆและคนที่มาเยี่ยมต่างก็ซักไซส์ไล่เลียงกันถึงความผิดปกติพอมีคนถามแกมากๆเข้าแกก็แว๊ดไล่ตะเพิดไม่มีใครกล้าเข้าหน้าแกนักแต่ที่แน่ๆแกไม่ยอมมองหน้าคนเวลาเอาข้าวไปให้กินแกจะพูดว่าไม่ต้องเอามาให้มันกินหรอกถึงยังไงมันก็ตาย แล้วก็หัวเราะแหบแหง้งเกิดอะไรขึ้นกับแม่พวกเราสงสัยตอนกลางวันแม่จะหลับตาตลอดแม่จะลืมตาในเวลากลางคืนเท่านั้นพวกเราเลยตกลงกันว่าจะเอาข้าวไปให้ในเวลากลางคืนแต่ทุกคนก็เริ่มกลัวมีน้องคนเล็กคนเดียวที่กล้าเพราะปกติจะเป็นคนรักแม่มากติดแม่สุด พวกเรารออยู่ข้างนอกแต่ก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงตะวาดแวกอาการออกมากูไม่ให้มันกินหรอกมันต้องตายกูรอเวลานี้มานานแล้วแน่นอนแล้วว่าต้องไม่ใช่แม่เราแน่พวกเราชะโ ง, งกเข้าไปดูก็ใจหายวา่าคุณพระช่วยแม่ทำหน้าตาดุเหลือเกินปกติแม่เป็นคนอ้วนมากอยู่แล้ว แม่แม่ล้มป่วยก็ยังอ้วนอยู่นี่อนิจจาเพียงแม่ไม่กินข้าวแค่สามวันแม่ก็ผอมดำแก้มตอบหน้าตาก็ดำคล้ำที่ร้ายที่สุดตาของแม่เขียวปัดเหมือนในตาสัตว์เวลาเราส่องไฟไปตอนกลางคืนพวกเราต้องถอยกรูดออกมาแทบไม่ทันครั้นพอรุ่งเช้าแม่ก็นอนตามปกติไม่ยอมลุกออกมาตามเคย ไม่กินข้าวกินน้ำพอตกกลางคืนก็มีเสียงกุกกุกกักๆอยู่ในห้องพวกเราพากันแอบดูแกดาสวนออกมาเสียหน้ากลัวมากเลยมึงไม่ต้องมาแอบดูกุหรอกแม่มึงตายแน่พอได้ยินคำนี้เราลงมติเลยว่าแม่โดนผีสิงต้องไปหาหมอผีมาไล่แน่นอนและต้องเร็วด้วย ตกลงไปตามหมอผีมาไล่พอหมอผีขึ้นบ้านแกตะโกนสวนออกมาว่ามึงไม่ต้องมาไลกกูยังไงกูก็ไม่ไปหรอกกูจะอยู่บ้านนี้บ้านนี้มีของให้กูกินเยอะเลยพูดไม่พูดเปล่าพลางมองมาทางพวกข้าพเจ้ามันบอกของกินเยอะคิดดูเถอะข้าพเจ้าคิดว่าผีปอบตนนี้ไม่กินของข้างนอก แต่ชอบกินตับไตไส้พุงมากกว่าเมื่อหมอผีได้ยินดังนั้นก็เปิดไปเลยเพราะผีปอบไม่กลัวหมอผีเลยปรึกษากันว่าจะไปตามพระที่วัดมาพอพระมาถึงผีก็ออกเสียแล้วเหมือนมันเป็นนกรู้เลยไม่กล้าเผชิญหน้ากับพระแม่ตายสนิททรงกลิ่นเหม็นมากอย่างกับตายมาแล้วสักเจ็ดวัน จึงต้องรีบเผาโดยสวดแค่คืนเดียวพอเผาเสร็จข้าพเจ้ารีบกลับโดยมีเพื่อนตามมาอย่างกระชั้นชิดไม่ยอมอยู่บ้านเด็ดขาดสำหรับตัวข้าพเจ้านั้นขนลุกตลอดเวลาเพราะเสียวปอบไม่รู้ว่ามันหลบอยู่ไหนจะเข้าใครต่อก็ไม่รู้เพราะยังไม่มีใครมาปราบมันฉลาดมาก เมื่อกินคนตายแล้วมันก็ออกเองไม่ต้องมีคนมาไล่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจ้องใครเป็นอาหารต่อไม่ทราบว่าเป็นผีปอบตระกูลเดียวกันกับที่กินหลานข้าพเจ้าหรือเปล่าเพราะพฤติกรรมคล้ายกันมากแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือมันเข้าสิงกินเอาดื้อเลยสงสัยถ้าเผลอเอาพระในคอออกมันคงสิงเอาเข้าให้ได้ซึ่งอันตรายมาก ในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครปราบมันได้เพราะมันชิงหนีไปเสียก่อนเพราะฉะนั้นระวังตัวท่านให้ดีๆเพราะไม่รู้ว่าจะถึงคิวของท่านเมื่อไหร่ถ้าใครยังไม่มีพระเครื่องคล้องคอก็รีบไปหามาคล้องกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนไม่ได้นะแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้สําหรับเรื่องนี้ถ้าผู้อ่าน